เมื่านก็มีพระท่า น, นก็ถามภาวนาแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยเรียนหลาแบบทำไงจะปฏิบัติได้สักทีทำไม่ได้บอกว่าจะไปติดที่รูปแบบของการปฏิบัติรูปแบบของการปฏิบัติทางใครทางมันเราถนัดทางไหนเราทําอย่างนั้น ตัวสำคัญที่ต้องเรียนให้ได้คือหลักของการปฏิบัติรู้ทธิรู้หลักก็ไปหารูปแบบที่พอเหมาะพอดีกับตัวเราเองรูปแบบนั้นเราเลือกมาตามจริตนิสัยของเราเองการปฏิบัติมันมีสองอันสมถะกับวิปัสสนารูปแบบของการทำสมถะมีเยอะแยะเลยนับไม่ท่วน พระสมถะกรรมฐานนะั้นใช้อารมณ์อะไรก็ได้สิ่งที่เรียกว่าอารมณ์แบบว่าสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นของที่เข้าคู่กับจิตทํางานร่วมกันมีจิตก็มีอารมณ์มีอารมณ์ก็ต้องมีจิตจิตเป็นคนรู้อารมณ์เป็นสิ่งที่ถูกรู้ในบรรดาอารมณ์ทั้งหลายนะจําแนกได้สามจำพวกอารมณ์ชนิดแรกเรื่ออารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่เราคิดขึ้นมา อย่างเราคิดพิจรารณาร่างกายเป็นปฏิคูณเวนาุสุภาษ์อะไรเราคิดพุโทโธคิดสัมมาอรหังคิดนามพาพทะอะไรคิดถึงร่างกายเป็นส่วนๆคิดถึงความตายคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธโธตัมโมสังโฆอะไรสิ่งเหล่านี้เป็นบัญญัติทั้งสิ้นเลยอารมณ์บัญญัติเนี่ยเอาไว้ทำสมถะได้ทำวิปัสสนาไม่ได้ อารมณ์ชนิดที่2ชื่ออารมณ์รูปนามตัวขันห้าเรล่านี้เป็นตัวรูปตัวนามรูปธรรมกับ น, นมามธรรมเป็นของจริงไม่ใช่สมมุติบัญญัติที่คิดขึ้นมาเป็นของจริงอย่างเวลาเรามองเห็นไฟแดงสิ่งที่เรามองเห็นจริงๆนะที่เป็นรูปธรรมเลยก็ยคือสีที่เรามองเห็นนะคําว่าไฟแดงและความหมายของไฟแดงเป็นบัญญัติ เป็นบัญญัติตกลงกันเรียกว่าไฟแดงฝรั่งก็ไม่เรียกอย่างนี้คนจีนก็ไม่เรียกอย่างนี้บัญญัตินี่เป็นของสมมติขึ้นมาไม่แน่นอนต่างคนต่างแต่งขึ้นมาไม่มีสภาวะจริงๆรงองรับอย่างสกรปร ก, กะสะอาดเนี่ยเราเห็นหมาเน่าสกรปรกส่วนอาเจียนนะ แมงวันบอหอมชื่นใจหอมรู้สึกไม่เหมือนกันนะโศกปลอกสะอาดอะไร เ, เนี่ยเป็นของบัญญัติขึ้นมานอารมณ์บัญญัติเนี่เอาไว้ทําสมถะกรรมฐานได้แต่เอาไว้ทํามิปัสนาไม่ได้ะอารมณ์ที่ใช้ทํำมิปัสนามต้องเป็นอารมณ์รูปนามนอารมณ์รูปนามเป็นของมีจริงๆริงรูปธรรมกับนามธรรมซึ่งประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานี่เอง เอาไว้ใช้ทำสมถะก็ได้ใช้ทำมิปัสฐนาก็ได้นี่เป็นข้อยกเว้นเลยเป็นข้อข้อเด่นของอารมณ์รูปนามบางคนก็เข้าใจผิดว่าถ้ารู้รูปนามแล้วจะต้องเป็นมิปัสฐนาเสมอไปไม่เป็นหรอกจะเป็นมิปัสฐนาได้ต้องเห็นรูปนามเป็นไตรลักษณ์ต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามถึงจะเป็นมิปัสฐนาลําพังเห็นรูปเห็นนามเนี่ยเป็นสมถะ บัญญัติก็เป็นสมถะนะรูปนามถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ก็เป็นสมถะบัญญัตินะั้นไม่มีไตรลักษณ์เป็นเรื่องที่คิดคิดทิศมานะจะแสดงความไม่เที่ยงได้ยังไงนะเรื่องราวที่เราคิดขึ้นมานะไม่มีสภาวะรองรับนะมันไม่แสดงไตรลักษณ์ตัวรูปนามถ้าเราไปดูมันตรงๆอย่างหายใจนะหายใจแล้วเรารู้ลมหายใจไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสมถะ เดินจงกรมแล้วเท้ากระทบพื้นรู้เท้าไปเรื่อยๆอันนี้เป็นสมถะจะเป็นวิปัสนาต่อเมื่อเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนาเช่นเห็นเลยร่างกายนี้เคลื่อนไหวไปนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเห็นไตรลักษณ์เห็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตน เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายที่หายใจออกก็ไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจเข้าก็ไม่เที่ยงอย่างนี้เห็นความไม่เที่ยงหรือลมหายใจของเราหายใจเข้าไปเย็นหายใจออกไปร้อนอันนี้แสดงถึงความไม่เที่ยงของธาตุไฟธาตุไฟไม่คงที่เดิมไม่ไม่ค่อยมีไฟหายใจเข้าไปพอหายใจออกมาเนี่ยธาตุไฟในลมหายใจเพิ่มขึ้น วิปนะัสสนาต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามอย่างจิตมีความโกรธขึ้นมาแล้วไปเพ่งนิ่งๆอยู่ที่ความโกรธหรือไปเพ่งนิ่งๆอยู่ที่จิตนะก็ไม่ใช่วิปัสสนาต้องระวังนะดูจิตไม่ใช่วิปัสสนาเสมอไปนะต้องระวังบางคนนะเข้าใจผิดที่ว่าดูจิตเป็นวิปัสสนาทุกทีไม่เป็นหรอกต้องเห็นไตรลักษณ์ของจิตเห็นไตรลักษณ์ของเจตสิกคือสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิต ถึงจะเป็นวิปัสนาเช่นเราเห็นว่าเออจิตเดี๋ยก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตผู้คิดก็ไม่เที่ยงอันนี้ถึงจะเป็นวิปัสนาเห็นในจิตนีมันจะปรุงดีมันจะปรุงชั่วมันจะปรุงสุขมันจะปรุงทุกข์เราเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้นี่เรือกเห็นอนัตตาของจิตนะอย่างจิตเราสั่งให้มีความสุขมันไม่ยอมมีด้วยหรอก ห้ามมันอย่ามีความทุกข์มันก็จะทุกข์ไม่อยู่ในอำนาจบังคับนี่ก็เป็นอนัตตาหรือกิเลส ท, ทั้งหลายไม่ได้เจตนาให้เกิดมันก็เกิดนะพอเรามีสติรู้ทันกิเลส ท, ที่มีอยู่ก็ดับไปเนี่ยแสดงความไม่เที่ยงแสดงการทนอยู่ไม่ได้กิเลสจะเกิดต่อเมื่อมีเหตุไม่ใช่เพราะเราสั่งนะหรือกุศลจะเกิดก็เพราะมีเหตุไม่ใช่เพราะเราสั่งกุศลหรืออกุศลจะดับ ก็เพระเหตุของมันดับไม่ใช่เพราะเราสั่งการที่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้ก็คือการเห็นอนัตตานั่นเองเราไม่มีอำนาจเหนือมันงั้นถ้าจะทําวิปัสสนานะต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามไปเพ่งจิตนิ่งๆประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่นิรันดร์ไม่เห็นไตรลักษณ์งั่นเป็นสมถะแน่นอนบางคนได้ยิน ว่าหลวงปู่ดูลสอนบอกให้ประคองจิตให้นิ่งว่างอยู่ภายในนิรันดรอะไรเงี้ยนะนิรันดนนนนร์นดนเนี่ยหลวงปู่ไม่เคยพูดหรอกบอกประคองจิตให้นิ่งให้ว่างอะไรเงี้ยอยู่ข้างในไม่ออกนอกอะไรเงี้ยท่านก็สอนเหมือนกันแต่อันนั้นเป็นการดูจิตในขั้นการทําสมถ ะ, ะประคองจิตเอาไว้ถ้าจะทำวิปัสสนาอย่าไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างต้องเห็นไตรลักษณ์ของจิตนะ เราจะเห็นในจิตเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้คิดหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงทั้งวันทั้งคืนดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเห็นเองนี่ทีจะเป็นวิปัสสนาหลวงพู ด, ดูลสอนหลวงพ่อดูจิตนั้นไม่ได้สอนประคองจิตให้นิ่งว่าหลวงพ่อฝึกจิตนิ่งมาตั้งแต่เด็กแล้วทําสมถะมาตั้งแต่เด็กแล้วหลวงพู ด, ดูลให้ดูการทํางานของจิตมันก็ทํานองเดียวกับที่หลวงปู่มั่นสอนหลวงพูดูล หลวงปูมันสอนให้หลวงพู่ดูลดูจิตโดยดูสังขารกับสัญญาที่มันปรุงแต่งสัญญาทํางานขึ้นมานะอย่างอยู่ๆความจําก็ผุดขึ้นมาเราผุดนึกหน้าของคนนี้ขึ้นมาไม่ได้เจตนาจะนึกเลยนะสัญญามันผุดขึ้นมาเคยมีไหมอยู่ๆเมื่อผุดขึ้นมาเลยไม่นึกไม่ฝันเยสัญญาทํางานขึ้นมาพอสัญญาทํางานที่มาสังขารก็ปรุงต่อเลยนึกออกไหมสังขารก็ปลุงต่อเสร็จแล้วสัญญาก็มาหลอกซ้ําอีก หลอกว่าเรื่องราวที่เราคิดนี่มีจริงมีจังเราผู้เป็นผู้คิดก็มีจริงมีจังมีอัตตะสัญญามีตัวมีตนขึ้นมาหลอกหลอกลวงหลอกว่าเที่ยงหลอกว่าเป็นสุขหลอกว่ามีตัวมีตนสัญญาเป็นตัวหลอกที่แรกสัญญาเป็นตัวกระตุ้นให้สังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งมันทางานพอความคิดนึกปรุงแต่งทำงานแล้วสัญญามันหลอกให้คิดผิดให้รู้สึกผิดผิดให้เห็นผิดผิด ตัววิปลาสมันทำงานด้วยกันมีสัญญาวิปลาสการหมายรู้ผิดผิดก็เกิดทิฏฐิวิปลาสความเห็นผิดเกิดจิตวิปลาสคิดผิดมันจิตวิปลานี็คิดผิดเกิดทิฏฐิวิปลาสเห็นผิดมีความคิดแล้วก็มีความเห็นเนี่ยวิปลาสต่างๆเป็นตัวหลอกลวงงั้นสัญญานี่เป็นตัวหลอกลวงที่ไร้กาศมาก หลวงูมั่นสอนให้หลวงปู่ดุลดูสังขารกับสัญญามทํางานดูไปดูมาท่านก็เห็นนะเออถ้ามันปรุงแต่งขึ้นมามันก็มีตัวมีตนสนองรับความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่ปรุงไม่แต่งนะตัวตนกไ็ไม่มีไม่มีที่รองรับความทุกข์ขึ้นมานท่านก็เลยเกิดความรู้แจ้งในอริยสัจแห่งจิตรู้ว่าถ้าจิตส่งออกนอกจิตส่งออกนอกก็คือจิตมีตัณหา น, นั่นเองตัวตัณหานั่นแหล ะ, ะตัวสมุทัยนะ พอจิตสงบออกนอกไปนะจิตมีตัณหาไปยึดถืออารมณ์ขึ้นมามีตัวมีตนขึ้นมาไปปรุงแต่งมีตัวมีตนขึ้นมาจิตเห็นจิตยอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคมีผลเป็นนิโรธคือพ้นจากความทุกข์พ้นจากตัณหานิโรธคือความสิ้นตัณหานะจิตเห็นจิตยอย่างแจ่มแจ้งไม่ใช่ไปเห็นชัดชัด ไม่ใช่เห็นจิตตลอดเวลาไม่ใช่เห็นจิตชัดๆคําว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งนะต้องเห็นด้วยสองสิ่งซ้อนกันอยู่ในขณะเดียวกันอันหนึ่งคือเห็นด้วยสติอันหนึ่งเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยสติคือเห็นถึงความมีอยู่ของจิตเห็นถึงความตั้งอยู่ของจิตนะความเกิดขึ้นของจิตความตั้งอยู่ของจิตความดับไปของจิตคือมีจิตขึ้นมาก็รู้เลยตัวที่ไปรู้ทันว่ามีจิตขึ้นมาหรือจิตหายไปตัวนี้เรียกว่าสตินี่รู้ด้วยสติ ตัที่สองรู้ด้วยปัญญาเห็นเลยจิตนี่เองนะเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปถ้าเห็นด้วยภูมิธรรมระดับนี้จะเป็นโสดาบันถ้าเห็นว่าตัวจิตเองก็ตกอยู่ใต้ใจรักนะเป็นทุกข์หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เลยใจหมดความยึดถือในจิตก็บรรลุพระอรหันต์งั้นที่หลกงปู่ดูลว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคเนี่ยต้องเห็นทั้งสองอย่างหนึ่งเห็นความมีอยู่ของมันเห็นความหายไปของมันด้วยสติ อันที่สองเห็นความจริงของมันด้วยปัญญาความจริงของจิตก็คือไตรลักษณ์ น, นั่นเองเช่นเดียวกับความจริงของรูปของนามของเจตสิกทั้งหลาย น, นั่นเองพอเห็นอย่างนี้แล้วนะเรียกว่าจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งก็จะเกิดการปล่อยวางความยึดถือจิตนะบนรรลุพระละหาันงั้นที่หลวงูดูลบอจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งอันนี้เป็นภูมิธรรมของพระละหาันนะถ้าเห็นแจ้งเมื่อไหรเป็นพระละหันเมื่อนั้น เราจะมาเจริญปัญญาถ้ามาดูความเปลี่ยนแปลงของกายของจิตไปเรื่อยถ้าไม่ดูความเปลี่ยนแปลงของกายของจิตนะไปรู้ลมหายใจแล้วจิตก็นิ่งอยู่กับลมหายใจเป็นสมถะไปดูท้องพองยบแล้วจิตนิ่งไปอยู่ที่ท้องก็เป็นสมถะไปเดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไปเกาะอยู่ที่เท้าก็เป็นสมถะถ้าหายใจอยู่แล้วก็รู้สึกขึ้นมาจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายที่กําลังหายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเรา ร่างกายที่หายใจอยู่ก็ไม่เที่ยงอันนี้เป็นวิปัสสนาเห็นท้องที่พอง <Partners. S 2> เห็นท้องที่ยุบไม่ใช่ตัวเราเห็นท้องที่พองก็ไม่เที่ยงท้องที่ยุบก็ไม่เที่ยงมีปัญญามองเห็นเจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูจิตไม่ไหลไปอยู่ที่ท้องจิตตั้งมั่นในการรู้การดูก็จะเกิดปัญญาเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราไปเดินจงกรมก็รู้สึกนะอย่าให้จิตไปอยู่ที่เท้าอย่างเดียวและจิตไปอยู่ที่เท้าอย่างเดียวมันจะเพ่งเท้าเป็นสมถะ เดินยังไงให้เป็นวิปัสนาเดินรู้สึกตัวสบายสบายรู้ตัวทั่วพร้อมรู้มันทั้งตัวเนี่ยแต่ไม่ใช่เพ่งทั้งตัวห้ามเพ่งเท้าแล้วก็ห้ามเพ่งทั้งตัวด้วยแค่รู้สึกสบายสบายรู้สึกไปทั้งตัวอย่างเรานั่งอยู่อย่างเนี้ยเราก็รู้สึกสบายสบายรู้สึกทั้งตัวหลวงพ่อพูดพอรู้เรื่องก็พยักหน้าเห็นร่างกายเป็นเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูอยู่จะรู้สึกเลยร่างกายที่นั่งอยู่ในร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ย ไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรนะเป็นเปลือกอันนึงเป็นโพรงอันหนึ่งเป็นถ้าอันหนึงที่จิตอาศัยอยู่เท่านั้นเองไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าวิปัสสนานะคือถ้าไม่เห็นอนะนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็ไม่ใช่วิปัสสนานะงั้นอย่างบางทีดูจิตไปประคองจิตว่างๆแล้วก็เพ่งอยู่ในความว่างวันนี้ก็ว่างพรุ่งนี้ก็ว่างปีหน้าก็ว่างกลับต่อไปก็ว่างว่างกันเป็นกลับๆนะ ว่างกันเป็นหมื่นกับก็ได้นะโรมบางชนิดอายุตั้ง8 0ด0 0กับนะมีนะมื้วไปเพ่งให้นิ่งอยู่งั้นนะจนจักรวาลแตกดับเกิดปีกแบงไป 80,000 หนแล้วนะยังไม่เห็นเลยว่าไม่เที่ยงก็รู้สึกคงที่อยู่งั้นเองงั้นต้องแยกให้ออกนะลำพังรูรูปนามเนี่ยไม่ใช่วิปัสนาต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสนา งันถ้าเราได้ยินคําสอนบอกประคองจิตให้ว่างแล้ววันหนึ่งบรรลุพระอรหันต์เราต้องรู้เลยนะว่าคําสอนอย่างนี้ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้านะอยู่ๆไปประคองจิตว่างๆเป็นสมะถะกรรมฐานบนรรลุพระอรหันต์ไม่ได้โสดายังไม่บรรลุเลยนะต้องเห็นไตรลักษณ์นะเห็นเกิดดับไปเรื่อยถึงจะบรรลุได้ได้โสดาสกาตถะนาคาพระอรหันต์เป็นลําดับไปเวลาฟังธรรมต้องแยกแยะให้เป็นอะไรเป็นสมถะอะไรเป็นวิปัสสนานะ นี่อารมณ์มีสาอย่างนะว่าให้ฟังอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดอันนี้เอาไว้ทําสมถะอย่างเดียวนะอารมณ์รูปนามเนี่ยใช้ทําสมถะก็ได้ใช้ทําวิปัสสนาก็ได้อารมณ์บัญญัติใช้ทําสมถะยังไงเช่นเราคิดถึงพระพุทธเจ้าพุทธโธพุทธโธใจจดจ่ออยู่กับพระพุทธเจ้าใจคิดถึงพระพุทธเจ้าเวลาที่ใจคิดถึงพระพุทธเจ้าเห็นรูปนามไหม เพราะตอนนั้นกําลังคิดถึงพระพุทธเจ้าไม่เห็นกายเห็นใจของตัวเองนะเราะฉนั้นกระทั่งรูปนามยังไม่เห็นเลยในขณะที่คิดถึงพระพุทธเจ้าเพราะฉั้นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามยิ่งไม่มีทางเห็นใหญ่นะไปบริกรรมน้ำมาภาธะอะไรนะสามมาละหังนะ่ะนำโมไตชื่อใตปุยหรือบริกรรมอะไรก็ได้นะในขณะที่บริกรรมในขณะที่คิดอยู่เนีเราไม่ได้รู้รูปรูปนามไม่มีทางทำให้ปัสศนาเลย ไปเพ่งกสินลไปเพ่งกสินนะับจุดไฟข้ออันหนึ่งจุดเทียนข้อก็นั่งเพ่งไฟอย่างเดียวนะบริกรรมไปเรื่อยๆว่าไฟไฟไฟไฟนะภาษาไทยนะภาษาแขกกนะ็เตโชเตโชเตโ ช, ตโชไปเรื่อยนันก็คือบริกรรมนะแตบริกรรมถึงไฟไปเรื่อยแล้วก็มองไปเรื่อยคือทั้งภาพของไฟนะติดตารับตาก็ามองเห็นนะ ไม่เห็นรูปรูปนามของตัวเองเลยไม่ได้รู้กายรู้ใจตัวเองเลยเพราั้นเพ่งกระสินออกนอกไปหมดเลยนะไม่สามารถทํำวิปัสสนาได้นะคิดพิจารณาปฏิกรูณาสุภานะดูเหมือนว่าคิดเรื่องร่างกายแต่มันก็เป็นความคิดเอาไม่ใช่ของจริงนะอย่างเราคิดว่าผมของเรานี่ไม่เที่ยงนะตอนนี้สีดําต่อไปสีสีเหลืองนะสีแดงสีน้ําเงนินหรือต่อไปผมสีเหลือบ สารพัดสีเลยนะดินิสผมคนเนี่ยคล้ายๆกระต่ายย้อมสีเฮ้ยทุกทีแนละ้วหรือถ้าคนปกติอะผมดำดำต่อไปมันขาวนี่นั่งคิดเอานะผมดำต่อไปมันขาวเนี่ยของจริงมันยังไม่ขาวอะถามว่าใจจะสลดโถทวง่ายๆไหมไม่มีอะไรเท่าไหร่อย่างมากก็สลดแว บ, บๆนะัเดี๋ยวก็กลับไปบ้ากามอย่างเดิมอีกนะล้างกี่เลยไม่ได้จริงมันคิดคิดเอา เลยคิดพิจารณาความตายอีกหน่อยเราก็ต้องตายนะคนโน้นก็ตายคนนี้ก็ตายแต่เชื่อง่ายๆแม้ว่าจะตายเดี๋ยวนี้ไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกอย่างมากก็คิดไปแล้วใจสลดลงมาเพราะฉะนั้นอย่างการคิดพิจารณาต่างๆบางทีทำให้ใจสลดลงมาคมราคาได้ชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวราคาก็มาใหม่อีก หรือทำรู้ลมหายใจนะเพ่งลมหายใจคิดถึงลมหายใจมีสติอยู่กับลมหายใจนิ่งอยู่กับลมหายใจเรียกอนาปนาสตินะหรือดูผมขนเล็บฟันหนังทีละส่วนทีละส่วนนะเรียกกายคตาสตนะิคิดพิจารณาอย่างนี้อันนี้เป็นสมถตาทั้งหมดเลยนะคิดถึงอาหารว่าอาหารที่เรากินเป็นปฏิกูนะไม่ใช่ของสะอาดเป็นของโสโครก ถ้ายัางดูอาหารภายนอกโสโครกไม่ได้ก็จินตนาการเนี่ยอาหารที่สวยงามพอยัดใส่ปากเข้าไปเคี้ยวๆหน่อยโอ้เอาไปให้ใครกินเคก็ไม่มีใครเอาแล้วใช่ไหมอาหารนี้เป็นปฏิกูลอะไรเงี้ยอันนี้ก็เรื่องของสมถะไม่ได้รู้รูปนามนะเพราะฉนั้นถ้าถ้าเป็นอารมณ์บัญญัติเนี่ยเอาไว้ทําสมถะได้อย่างเดียวนะถ้าเป็นอารมณ์รูปนามใช้ทําสมถะก็ได้ถ้าไปเพ่งตัวรูปตัวนามเป็นสมถะเช่นประคองจิตให้ว่างเป็นสมถะ เห็นความเกิดดับของจิตเป็นวิปัสนาเพ่งอยู่ที่ร่างกายเป็นสมถะเห็นความเกิดดับของร่างกายเห็นความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี่เป็นวิปัสนอาอารมณ์ชนิดที่3อันแรกอารมณ์บัญญัติใช้ทําสมถะอันที่สองอารมณ์รูปนามทําสมถะถ้ารู้รูปนามทําสมถะถ้ารู้ไตรลักษณ์ของรูปนามทําวิปนะัสนาอารมณ์นชนิดที่3คืออารมณ์นิพพาน พวกเราไม่รู้จักอารมณ์นิพพานเราไม่เคยเห็นเราได้แต่จินตนาการนิพพานนั้นตามตำราบอกว่าคือสภาวะแห่งความสิ้นตัณหานิพพานนั้นไม่มีไตรลักษณ์มีเอกลักษณ์เท่านั้นคือนิพพานนั้นไม่ไม่ใช่อนิจจังทุกขังอนัตตานิพพานนั้นเป็นนิจจังเพราะนิพพานเที่ยงนิพพานไม่เกิดไม่ดับนิพพานมีอยู่แล้วไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการดับไปมีอยู่ เพราะเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมาธาตุซึ่งมีอยู่อย่างนี้แหละนะแต่ว่าจิตของเราไม่มีคุณภาพที่จะเห็นเพราะจิตของเราถูกกิเลสตัณหารนะากพาให้ปลงไปอยู่ในความปรุงแต่งความปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะธรรมนิพพานเป็นอสังคตะธรรมความไม่ปรุงแต่งงั้นจิตที่ถูกกิเลสตัณหารากไปก็จะลากไปสู่ความปรุงแต่งไม่สามารถเห็นธรรมะที่พ้นจากความปรุงแต่งได้ ทั้งๆที่มันมีอยู่ตอ ints, ่อหน้าต่อตาเราต้องภาวนาจนสิ้นตัณหาพอหมดตัณหานีจิตก็หมดความปรุงแต่งตัณหาเป็นผู้สร้างภพภพก็คือความปรุงแต่งของจิตถ้าหมดความปรุงแต่งก็จะเห็นพระนิพพานเมื่อนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหานิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความปรุงแต่งนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นภพสิ้นชาติสิ้นรูปสิ้นนามนะพ้นจากรูปนามไป สภาวะอย่างนี้เราไม่เคยพบไม่เคยเห็นนิพพานมันเที่ยงนิพพานนั้นเป็นบรมสุขเห็นไหมถ้าเป็นสังขารทั้งหลายรูปนามทั้งหลายเนี่ยเป็นทุกข์เห็นไหมเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แต่นิพพานนั้นเที่ยงนิพพานเป็นบรมสุขไม่มีความสุขใดเสมอด้วยพระนิพพานเพราะอะไรเพราะสุขของพระนิพพานเป็นสุขที่ไม่มีความเสียดแทงสุขของพวกเราเป็นสุขแบบเสียดแทงรู้สึกไหมเป็นสุขแบบปรุงขึ้นมา จิตต้องปรุงขึ้นมาความสุขปรุงปุงนะความสุขปลอมๆความสุขที่ต้องอิงอาศัยสิ่งอื่นนะอิงอาศัยคนอื่นอย่างเงี้ยพอสิ่งเหล่านั้นแปลปรวนไปนะความสุขนี้ก็แปลปรวนไปนิพพานไม่ได้เป็นอย่างนั้นนิพพานนั้นเป็นสภาวะที่เต็มอยู่ในตัวของตัวเองแล้วก็เป็นบรมณ์สุขอยู่ในตัวของตัวเองเมื่อไรจิตเราสิ้นตัณหาจิตเราสัมผัสพระนิพพานธรรมชาติของจิตต้องมีอารมณ์ นะถ้าไม่อยู่กับอารมณ์บัญญัติก็อยู่กับอารมณ์รูปนามนะทีแรกเรามีสติเรารู้สึกตัวขึ้นมาจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาเราจะหลุดจากอารมณ์บัญญัติเราจะมารู้อารมณ์รูปนามคือมารู้กายรู้ใจที่หลวงพ่อสอนพวกเราทุกวันนี้นะให้หลุดออกจากโลกของความคิดคือหลุดออกจากสมอารมณ์บัญญัติมารู้กายมารู้ใจนี่เรียกว่ารู้อารมณ์รูปนามนี้พอเรารู้อารมณ์รูปนามจนแจ่มแจ้งหมดความยึดถือในรูปนามเราปล่อยอารมณ์รูปนามคราวนี้ถึงจะเจออารมณ์นิพพาน คือไม่ใช่อยู่ๆนะไม่ได้ดูอารมณ์รูปนามนะน้อมเข้าหาความนิ่งความว่างแล้วบอกว่าความนิ่งความว่างเป็นนิพพานไม่ได้เป็นนิพพานเพราะยังไม่ได้พ้นจากรูปนามความว่างที่ไปประคองจิตไปสร้างขึ้นมานะรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างหรือไปสร้างความว่างขึ้นมาความว่างอย่างนั้นเป็นอรูปอรูปถือเป็นนามชนิดหนึ่งนะนามมีทั้งส่วนที่มันมีหลายชั้นนะตัวนาม มีตั้งแต่ไปเพ่งในความว่างตัวความว่างๆนะที่ชอบไปว่าดูว่านี่สุญญาตาไม่ใช่สุญญาตาตัวนั้นชื่อว่าอากาศสารัญจายตนะน้ า, นา ม, มีหลายตัวนะหรือตัวจิตนะตัวถ้าไปเพ่งใส่ตัวจิตนะก็เป็นนามในชนิดอรูปจิตเป็นรูปนะนะแล้วก็ถ้าไปเพ่งความไม่มีอะไรนะนี่ก็เข้าอารูปอีกนะก็เป็นตัวนาม งั้นตัวรูปนี้เป็นตัวนามนะตัวรูปเป็นตัวนามไม่มีรูปก็เป็นตัวนามอย่าไปคิดว่ามันพ้นจากรูปนามมันยังไม่พ้นจากตัวนามเพราะงั้นความว่างทั้งหลายที่เราไปเพ่งขึ้นมาไปสร้างขึ้นมาเนี่ยยังเป็นนามอยู่ยังไม่พ้นรูปนามนะงั้นยังไม่ใช่ตัวนิพพานตัวนิพพานนั้นไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้นะนิพพานนั้นจะปรากฏขึ้นมาได้เมื่อจิตสิ้นตัณหาเท่านั้น ถ้าเราจงใจประคองจิตให้ว่างอันนั้นทำด้วยตัณหานะงั้นไม่มีทางเลยที่ว่าจิตจะว่างจริงจิตมีตัณหาแต่มองไม่เห็นนะงั้นเราต้องมารู้รูปนามให้ได้ต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามให้ได้นะถ้าเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามแจ่มแจ้งจิตจะวางจิตจะวางรูปนามนั่นแหละจิตถึงจะเห็นพระนิพพานมันเป็นว่างอีกว่างหนึ่งไม่ใช่ว่างแบบคู่กับวุ่นวาย ไม่ใช่รูปคู่กับรูปนะรวมความก็คือนิพพานเนี่ยนะเป็นสภาวะซึ่งเที่ยงเป็นสภาวะที่เป็นสุขเพราะไม่มีความเสียแทงไม่มีกิเลสตัณห า, ไ ม, มหาไม่มีขันห้าที่ต้องเป็นภาระขันห้าเป็นภาระไหมต้องดูแลมากมายใช่ไหมในนิพพานไม่มีขันห้านิพพานไม่นิพพานเที่ยงนิพพานเป็นสุขแต่นิพพานเป็นอนัตตา อนัตตาคือไม่มีเจ้าของไม่อยู่ในอำนาจครอบงำของใครทั้งสิ้นกระทั่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เจ้าของพระนิพพ า, นะานนะพระนิพพานนีเป็นอนัตตาไม่มีเจ้าของหรอกงั้นถ้านิพพานจะบอกว่ามีลักษณะอย่างไรมีเอกลักษณ์ไม่มีไตรลักษณ์มีเอกลักษณ์ลลคือมีลักษณะอันเดียวลักษณะอันเดียวก็คือเป็นอนัตตานะเราไม่สามารถเอานิพพานมาทำวิปัสสนาได้ ยาวนิพพานมาทําวิปัสสนาอันแรกเลยพวกเราไม่เคยเห็นนิพพานไม่มีนิพพานที่จะใช้ทําวิปัสสนาไดนะ้อันที่สองท่านที่เคยเห็นพระนิพพานแล้วคือบรรดาพระอริยะทั้งหลายนะนิพพานนั้นไม่ไดเอาไว้ทํานวะิปัสสนาแต่เอาไว้ทําสมถะเวลาพระอริยะท่านจะทําสมถะเนี่ยท่านมีทางเลือกเยอะมากเลยนะเยอะกว่าพวกเราอยู่หนึ่ง ท่านใช่อารมณ์บัญญัติก็ได้ทําสมถะได้ท่านใช่อารมณ์รูปนามทําสมถะก็ไ ด, ททได้ท่านใช่อารมณ์นิพพานทําสมถะก็ไ ด, ได้เวลาจะใช่อารมณ์นิพพานทําสมถะนั้นทำได้สองแบบพระยบุคคลที่ยังไม่ชํานาญในนิพพานนะต้องอาศัยการรู้รูปนามไปก่อนแล้วก็ดูรูปนามเป็นไตรลักษณนะ์พอเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามพอปล่อยจิตก็ปล่อยรูปนามก็จะไปเห็นพนิพพาน นี่สำหรับท่านที่ยังไม่แจ้งพระนิพพานนะสาหรับท่านที่แจ้งพระนิพพานคือพระละหันแล้วเนี่ยเวลาท่านจะต้องการสัมผัสพระนิพพานเนี่ยท่านแค่มานัสิการถึงไม่ต้องไปอ้อมผ่านรูปนามมาเลยระลึกถึงเลยก็พบว่าพระนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองนะแต่บอกพระพนิพพานไม่มีอะไรเลยก็ไม่ใช่พระนิพพานนั้นมีมีอะไรก็มีนิพพาน จะว่าพระนิพพานแห้งแรงก็ไม่ใช่นิพพานมีอะไรนิพพานมีบรมสุขสัมผัสเข้าไปทีแรกนะสุขจนเหมือนกับโลกธาตุจะแตกนะสุขเหมือนใจจะแตกนะเราเคยได้ยินแต่ว่าทุกจนอกแตกตายใช่ไหมเวลาเราสัมผัสนิพพานทีแรกนะทราบซึ้งถึงอกถึงใจทีแรกนะมันเหมือนอกจะแตกตายได้เหมือนกันนะมันมันสุขจนตายได้เหมือนกันนะ แล้วพอสัมผัสไปเรื่อยมันค่อยๆชินนะ น, นี่ครูบาอาจารย์ท่านว่าให้ฟังหลวงปู่สุวัตนะท่านบอกว่าตอนเราแจ้งทีแรกนะมีความสุขอยู่ปีกวา่าเสร็ จ, จแล้วใจเราก็เป็นอุเบกขาทุกวันนี้เราก็เป็นอย่างนี้แหละท่านว่าอย่างนี้นี่พานเอาไว้ทำสมถะได้นะแต่ไม่ใช่สำหรับพวกเราแต่สำหรับราลิยาบุคคลใช้ทำสมถะ นิพพานเราไม่เคยเห็นแควร์ไปก่อนมารู้รูปนามให้มากหลุดออกจากอารมณ์บัญญัติด้วยความรู้สึกตัวจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตที่จะหลุดออกจากอารมณ์บัญญัติม่อยู่ในความรู้สึกตัวแล้วจะเห็นรูปนามพอรู้สึกตัวได้อย่ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆบางคนสอนกันนะให้ประคองความรู้สึกตัวให้นิ่งให้ว่างไอ้นี่ก็เพียนไปอีกแบบหนึง่งประคองความรู้สึกตัวให้นิ่งให้ว่างประคองไปหาสวรรค์วิมานอะไร ไม่ได้เจริญปัญญานะเพราะฉะั้นเมื่อมีความรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วมีจิตผู้รู้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยต้องน้อมจิตผู้รู้ไปดูกายดูใจดูรูปดูนามเจริญปัญญาอย่ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆอย่างหลวงพ่อสอนทีแรกหลวงพ่อจะสอนให้รู้สึกตัวใช่สมัยแรกๆจำได้ไหมใครรู้สึกตัวได้หลวงพ่อชมเลยเดี๋ยวนี้ไม่ชมแล้วรู้สึกไหมเดี๋ยวนี้ต้องแยกธาตุแยกขันไดถึงจะชมรู้สึกหม เพาอะไรเพราะรู้สึกตัวอยู่นี่นะเป็นจุดตั้งต้นเท่านั้นเองหลุดออกจากโลกของความคิดแล้วถัดจากนี้มีหน้าที่เจริญปัญญาด้วยการรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของรูปของนามเรื่อยไปจนกระทั่งรู้ไตรลักษณ์ของรูปนามแจ่มแจ้งนะปล่อยวางรูปนามเราจะเห็นปณิพันนะนี่ทางเดินที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเดินกันมานะอย่าไปหลงทำสมถะนะแล้ ว, วคิดว่าวันหนึ่งอยบรรลุพระอราหันต์ไปกันใหญ่เลยไนะปหลงในความนิ่งความว่าง ควาไม่ยึดถืออะไรไอ้นูนก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดพูดเราเองทําได้ไหมไม่ยึดอะไรสัยอย่างอย่างน้อยก็ยึดความเห็นว่าจะไม่ยึดอะไระครั้งหนึ่งมีคนคนหนึ่งไปคุยอวดพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์นะมีความเห็นอย่างนี้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่คู่ควรกับข้าพระองค์เลยคือฉันไม่ยึดถืออะไรเลยพระเจ้าบอกเนี่ยยึดในความเห็นอย่างนี้นะยังยึดอยู่ ยังรู้สึกตัวนะหลุดออกจากโลกของความคิดคือหลุดจากอารมณ์บัญญัติให้ได้นะแล้วก็มารู้อารมณ์รูปนามรู้อารมณ์รูปนามนะก็อย่าอยู่เฉยๆต้องเห็นตรลักษณ์ของรูปของนามด้วยเพราะฉั้นทีแรกหลวงพ่อจะให้รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวแล้วอย่าอยู่เฉยนะต้องดูกายดูใจแต่ว่าไม่ใช่ให้เพ่งกายเพ่งใจให้จิตเป็นคนดูอยู่ห่างๆนะดูกายมันทํางานดูใจมันทํางานเนี่แหละถึงจะเห็นความเป็นไใจลักษ์ ถ้าไปเพ่งรูปเพ่งนามไปเพ่งท้องนิ่งๆอยู่ที่ท้องอนั้นไม่เห็นไตรลักษณ์สมถะนะเพราะฉะนั้นถ้าจิตจะไปรู้รูปนามเนี่ยจิตอยู่ห่างๆนะจิตเป็นคนดูสบายๆเห็นรูปนามมันทํางานไปเห็นรูปนามเกิดดับไปนี่ถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าวิปัสสนาแก่รอบปัญญาจะเกิดวิชาจะเกิดล้างความเห็นผิดได้ก็บรรลุพระอรหันต์ไปนะอะตอนนี้ไปกินข้าวก่อนนี่หมดเลยครับนี่มัน